ไม่ได้ตั้งใจจะให้ใครแต่บังเอิญสุนัขมาได้อาศัยกินรอดชีวิตไปได้กรรมนั้นของเขาเป็นกตัดตากรรมเมื่อถึงคราวจะได้รับผลแห่งกรรมนั้นย่อมได้รับในทรรนองเดียวกันจริงอยู่พระพุทธองค์ตรัสว่าเจตนาหางพิกเวกัมมังวะามิภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมนั้น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 หากตายลงในขณะจิตเช่นนั้นเขาจะต้องไปถือปฏิสนธิในกาเนิดที่ดีก่อนแต่เนื่องจากผลแห่งกรรมดีน้อยมากจึงหย่อนกาลังให้ผลเพียงเล็กน้อยแล้วหมดจึงเปิดโอกาสให้กรรมชั่วต่างๆที่เก็เคยทำไว้รุมล้อมให้ผลต่อไปทำให้เขาต้องรับทุกขเวทนาประสบความเสื่อมต่างๆแม้เขาพยายามทำดีมากที่สุด